สภาน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นจะเรินก้าวไกลชากลุ่มเรื่องให้ประเทืองและงามมิเลยอาณาไม่ไามาพระปาน้ำไปขอตั้งใจอาจตาเสบาน่วยรับงานมากมายหลายด่านเจ็บหรือตายหุนวายใหญ่บ้านเทศ บ, บาลต้องรับแจ้งมาเฝ า, ท ำ, า ท, ทำงานที่ทํางานพร้อมไปทุกราเพื่อนักขอนิวัตพนาเป็นคน คนไไเทสบานคือบันไดาโครงการปกครองตามการลงแห่งชีวิตความที่มีประชาธิปไตยเพื่คุกคอพลและบ้างให้จำปังใจด้วยการรับใช้กันไปเหนื่อยแค่ไหนไม่สำคัญมีผู้แทนเทศของเราดูแลพร้มสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถินงนน่นทั้งทันินสับสนทั่วกันเทสบาลก็คือเราไม่ช่วยสัมพันธ์เสบา รอมกัะสานคอยรวมมือ สภาน่วยรับงานปกครองท้องถินเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิมนเจริญก้าวไกลชาติกุ่เรื่องให้ประเทืองและงามมิเลยอาณาไม้พระประนาน้ำไปขอตั้งใจอาจสาเสบาน้วยรับงานมากมายไร้ด้านเจ็บหรือตายหุ่นไว้ใหญ่บ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเฝ้าทำงานที่ทำงานร่อมไปทุกนาเพื่อนครขอนิวัฒ น, นาเป็นคน เทศบาลคือบันไดของการปกครองตามขนองแห่งชีวีความที่มีประชาธิปไตยเอปคนละมัให้จำมั่ใจด้วยการรัใกันไปเหน่ไหนไม่สำคัญมีกเของเราดูแลความสิ้นรวมรับกานปกครองท้องถินทั้งทันสดใสทั่วกันเทศบาลเรานี่ช่วยสำคัญเทศบ รรวมเงาประเทศศิลาอาดที่ลังศาสตร์รถดีเมืองพระศรีพนมบาทแหล่งไม้กว่าตองกงดยหอมแดงเรื่องชื่อนมระบือตำนานเมืองแม่ไม้วิสัยทัศน์ของเทศบาล สรีพนมมตรคือศูนย์กลางแห่งอรารยธรรมแหล่งการเรียนรู้และความอุดมสมบูรณ์ของเมืองลับแล ท, ที่ไม่มีวันสิ้นศูนย์สลายสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการสิ่งตามสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลศรีพน ม, มัาติเมืองลับแลครับวันนี้ตรงกับวันพุทธที่21กันยายนพุทธศักราช2565หลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะได้พบกับรายการสารานารู้ 17.30 นากานาทีจะเป็นรายการข่าวสารข่าวฝากต่าง ๆ, งๆของทางราชการและบทเพลงตามคำขอเชิญรับฟังรายการของเราได้ตามลำดับครับ ตั้งโดนบอกคิดรู้ต้นน้องแนบอ้อเขียดทิมปานขี่ไก่จบง่ายแทนนองความดีที่เคยสร้างมาไอาเคยเห็นค่าแนบบ อ, อน้องหรือเห็นน้องเป็นแค่ไม่ลำา่อหักไวอ้อยไป หยุดทำร้ายหัวใจน้องสาว Si pa si to ug kasda. อย่าทำร้ายกานไปได้ฟอร์แฟนบอแ ม, มนขอควายหยุดทำร้ายหัวใจน้องสาว Yeah. ก็มียังให้อายต้องหักเป็นได้แค่คนรู้จักเลื่อนเป็นคนหักบอดายดอกนาปล่อยน้องคือจังบางไฟจุดแล้วสิปลายสิโตกก็ตา สวัสดีครับคุณตู้ฟังสวัสดีวันพุธที่21ครับไงเราคุณตู้ฟังวันนี้แดดจะหนักจะเต็มครับมาเต็มอีกแล้วคุณตู้ฟังมาคนแล้วเรื่องกับเมื่อวานเลยครับในส่วนของการลงทะเบียนครับวันนี้21คิวของชุมชนคอกช้างกับชุมชนตลาดรับแลนะครับ วันพรุ่งนี้ครับ22 00, กันยายนท่านที่อยู่ชุมชนยางกระไดใต้อยู่ชุมชนบ้านหนองนะครับวันพร arn, ุ่งนี้9โมงเช้าถึง4โมงเย็นไปลงทะเบียนเพื่อวัตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ทําการชุมชนยางกระไดใต้นะครับวันพรนุ่งนี้ท่านที่อยู่ชุมชนยางกระไดใต้ท่านที่อยู่ชุมชนบ้านหนองที่จะลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เก้ามงเช้าถึง4ี่โมงเย็นก็ไปลงทะเบียนได้ที่ทําการชุมชนยางกระไดใต้นะครับส่วน23กันยายนนะครับยีามกันยายนท่านที่อยู่ชุมชนยางกระไดเหนือและทุกชุมชนที่อาจจะติดขัด เ, เรื่องของเอกสารเรื่องของหลายๆอย่างครับก็สามารถมายื่นได้อีกครั้งในวันนี้เช่นกันนะครับที่ทําการชุมชนยางกระไดเหนือครับวันที่23 กันยายน์นะครับก็จะได้ครบทั้ง6ชุมชนซึ่งทางทากศครับก็มาอำนวยความสะดวกให้ถึงที่ทําการชุมชนในแต่ละที่ก็จะได้ไม่ต้องไปแออัดกันนะครับจะได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรไปให้ตรงวันของตัวเองของชุมชนตัวเองก็จะได้รวดเร็วสะดวกยิ่งขึ้นด้วยครับ ติกเกอโอเคคือนั้นที่เจ้าส่งไลน์มายืนยันก่อนสิไปเวียนเทียนน้ำกันก็นยังอยู่คือเก่ารูปที่เฮาเซลฟีคือนั้นที่เฮ็ดหนาคือจังเคินกัน้ายังเปิดบังดูว่าสันคือเจ้านั่นบ่ได้จากไป ทุกเรื่องราวเมื่อนี้คงปีกลายอายยังจะได้บางสุญญ์แต่เข้าพันษาปีนี้อายบ่กมีคนใครห่วงใจอายบ่กมีคนอายหักลัง อ่ข้างเข้าพรปีนี้อ้มันเทียนที่คาแสงไฟบสิต่อสิตั้งเทียนคู่เพราะบ่มีเจ้าอยู่ข้างกากอดได้หอมได้แค่ความทรงจาที่อเก็บไว้บเคยจงแมเรื่องเฮาทุกอย่าง I h i t t e a r h a c only a few o u คเคยห่วงใจไายบอกมีคนไอ้หักลายอยู่ข้างๆเข้าพนรษาปีนี้อ่เหมือนเทียนที่คาแสงไฟบอกหูงสิต้อสิตั้งเทียนคู่ให้เพราะบอกมีเจ้าอยู่ข้างๆ อดได้องได้แค่ความทรงจำที่ไอแกบไว้บกเคยจงแม่เรื่องเขาทุกอย่างปีนี้ไ อ, อหเห็ดใดแค่เพียงคิดออกแม่เรื่องเขาทุกอย่าง ได้แค่เพียงคิดฮ้อง เจ็บของอายจะมีเครียดเสมอหากทางเดินของเธองมกงามยังเธ อ, อยังจำถ้อยคำของอายหากมีทุกใจเมื่อใดก็ตาถูกรังแกหรือแค่งอาย เ ah ้ามองค้าแค่สุขกว่าจะมา ที่อายยอมสัลีกทางให้เขาครองเธอภาวนาให้เขาดูแลดังคู่แท้ที่หากันเจอเจ็บของอายจะมีเกียร์เสมอหากทางเดินของเธองดงามยังเธอยังจำ ถ้อยคำของอายอยากมีทุกใจเมื่อใดก็ตา สารน่ารูน้นี้คุณผู้ฟังผมหยิบเอาเรื่องนี้ครับเปรืองของอาหารที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการบํารุงไตครับไตก็เป็นอวัยวะสําคัญนะครับที่ต้องคัดต้องกรองหลายๆอย่างต้องผ่านไตก่อนเลยคุณผู้ฟังแต่ก็มีอาหารครับที่มีส่วนช่วยนะครับที่จะ ลดภาระให้ไตทำงานหนักหรือว่าอาจจะทำให้เสื่อมช้าลงครับมีอะไรบ้างอันดับแรกน้ำเปล่าคุณผู้ฟังโรคคนดื่มน้ำให้ได้วันละ 6-8 แก้วครับเพราะาน้ำเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนระบบต่างๆภายในร่างกายให้ทำงานได้อย่างราบรื่นเป็นตัวช่วยกรองสารพิษจากเลือดและขับสารพิษออกทางปัสสาวะแต่หากมีอาการโรคไตยอยู่แล้วและมีอาการบวมน้า ควรบริโภคน้ำตามความเหมาะสมเช่น 3-4 แก้วต่อวันเพราะความสามารถในการขับปัสสาวะของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจะลดลงซึ่งปริมาณน้ำที่ควรดื่มต่อวันก็ควรปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ด้วยปลาทะเลครับปลาทูน่ า, นาแซลมอนซาดีนเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงครับทั้งยังอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า 3, ที่มีส่วนช่วยลดการอักเสบ แล้ก็สาร DHA ครับในกรดไขมันโอเมก้า3ยังมีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไขมันเลวที่สะสมในหลอดเลือดสอดคล้องกับข้อมูลของมูลนิธิโรคไตแห่งสหรัฐอเมริกาที่ระบุว่ากรดไขมันโอเมก้า3มีส่วนช่วยลดระดับไขมันในเลือดและยังช่วยลดความดันโลหิตได้ซึ่งการมีความดันโลหิตสูงก็เป็นปัจจัยเสี่ยงก่อให้เกิดโรคไตดังนั้นควรรักษาระดับความดันโลหิต ให้อยู่ในระดับดีเพื่อช่วยปกป้องสุขภาพไตอีกทางหนึ่งด้วยครับนอกจากนี้ปลาทะเลยังเป็นเนื้อสัตว์ที่มีฟอสฟอรัสต่ำกว่าปลาชนิดอื่นๆจึงไม่เพิ่มภาระให้กับไตอกไก่ไร้หนังรับการรับประทานโปรโตีนคุณภาพดีจะช่วยให้ร่างกายนำโปรโตีนไปใช้ได้อย่างเต็มที่ทำให้มีของเสียตกค้างในไตน้อยเป็นการช่วยลดภาระการทางานให้ไต ถ้าพูดถึงโปรโตีนคุณภาพดีครับก็ต้องมีอกไก่ไร้หนังอยู่ในนั้นด้วยโดยเนื้ออกไก่ล้วนอุดมไปด้วยโปรโตีนที่มีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโซเดียมต่ากว่าเนื้อไก่ติดหนังแล้วก็เป็นเนื้อสัตว์ไขมันต่ำด้วยนะครับไข่ขาวครับนอกจากอกไก่ที่มีโปรโตีนคุณภาพดีแล้วไข่ขาวก็เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรโตีนที่เป็นโปรโตีนคุณภาพสูงเช่นกัน ร่างกายสามารถดูดซึมได้มากเกือบร้อยเปอร์เซนและยังย่อยง่ายที่สำคัญในไข่ขาวมีฟอสฟอรัสน้อยกว่าไข่แดงมากแถมยังเปลี่ยมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุอีกมากมายไขมันดีครับไขมันที่ดีต่อสุขภาพไตคือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวซึ่งหาได้จากน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันคานล่าเพราะไขมันชนิดนี้มีกรดไขมัน โอเลอิกที่มีสรรพคุณต้านการอักเสบต่างๆและยังเป็นไขมันที่ปราศจากฟอสฟอรัสผู้ป่วยโรคไตที่มีปริมาณฟอสฟอรัสในเลือดสูงก็รับประทานได้ในปริมาณที่เหมาะสมลูกเดือยครับลูกเดอยเป็นธัญพืชที่มีสรรพคุณบำรุงไตบำรุงตับและจัดเป็นยาอายุวัฒนะตามาศาสตร์แพทย์แผนจีนโดยลูกเดือยมีฤทธิ์เป็นยายเย็นช่วยขับปัสสาวะช่วยกาจัดสิ่งตกค้างลดอาการบวมน้ํา และมีสารสําคัญที่มีสักยคุณในการยับยั้งการเกิดเนื้องอกและอาจลดความเสี่ยงโรคมะเร็งได้เห็ดชิตาเกะครับเห็ดมีโปรตีนสูงแต่เห็ดที่มีปริมาณโพแทสเซียมต่ําแนะนําครับเป็นเห็ดหอมหรือเห็ดชิตาเกะเพราะนอกจากโปรตีนที B ่ได้จากเห็ดชนิดนี um ้แล้วยังได้ไฟเบอร์วิตามิน B แมงกานีสคูเปอร์เซเลเนียมเบตากรูแคนที่เป็นสารช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ต้านอนุมูลอิสระและช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายรวมทั้งไตก็ยังมีสปะคุณป้องกันโรคเมร็งได้แถมในเรื่องของผักผลไม้บำรุงไตแล้วกันครับอันดับแรกกะหล่ำปลีครับกะหล่าปลีเป็นผักที่มีโพแทสเซียมต่ำไม่เพิ่มพาระให้ไตแล้วก็ยังมีกรดฟอิกวิตามินซีไฟเบอร์พร้อมสปะคุณช่วยขับสารพิษและกรดยูริกออกจากร่างกาย บวบครับบวบเป็นผักที่มีไฟเบอร์ชนิดไม่ละลายน้ําอยู่ในปริมาณมากมีคุณสมบัติช่วยดักจับและเจือจางสารพิษตกค้างในร่างกายทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณและน้ําหนักอุจจาระจึงกระตุ้นให้ร่างกายขับถ่ายของเสียได้เร็วขึ้นแก้ปัญหาท้องผูกได้อีกทางแตงกวากครับผักฉ่าน้ําอย่างแตงกวาเป็นผักที่อุดมไปด้วยวิตามินที่หลากหลายและยังเป็นผักที่มีไฟเบอร์ชนิดไม่ละลายน้ําอยู่ในตัว ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติดักจับและกำจัดของเสียตกค้างในร่างกายเช่นกันกระเทียมครับกระเทียมเป็นแหล่งที่ดีของแมงกานิสซัลเฟอร์วิตามินซีวิตามิน B6 และยังจัดเป็นเครื่องเทศเพิ่มรสชาติอาหารช่วยให้อาหารอร่อยมีรสชาติเข้มข้นขึ้นจึงช่วยลดการใส่เครื่องปรุงไปได้ระดับหนึ่งนอกจากนี้กระเทียมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยยับยัง้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและเชื้อรา มีสรรพคุณลดความเสี่ยงโรคไตโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตและช่วยลดการอักเสบด้วยหอมหัวใหญ่ครับหอมหัวใหญ่ก็เป็นผักที่ช่วยเพิ่มความอร่อยให้อาหารได้เหมือนกันในหอมหัวใหญ่ยังอุดมไปด้วยวิตามิน C วิตามิน B แมงกานีสพรีเวอติกไฟเบอร์ที่ช่วยเสริมการทำงานของระบบย่อยอาหารนอกจากนี้ในหอมใหญ่ยังมีสารที่มีคุณสมบัติช่วยลดความหนืดของเลือด และช่วยลดความดันโลหิตซึ่งเท่ากับช่วยลดปัจจัยเสี่ยงโรคไตได้อีกทางสับประรดครับสับประรดเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ําผู้ป่วยโรคไตสามารถรับประทานได้และคนที่ยังไม่ป่วยโรคไตสับประรดก็ช่วยลดการอักเสบต่างๆได้เพราะมีแอมซายที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะแก้ขัดเบาลดการเกิดโรคกระเพาะขับปัสสาวะอักเสบช่วยป้องกันการเกิดนิ้ว อีกทั้งยังมีไฟเบอร์สูงวิตามินซีสูงและมีแมงกานิสด้วยอ่างูนแดงครับอ่างูนแดงอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีวิตามินซีสูงจึงช่วยต้านการอักเสบนอกจากนี้ในอ่างูนแดงยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อสุขภาพหัวใจป้องกันโรคเบาหวานและลดความเสี่ยงความจําเสื่อมด้วยแอปเปิลครับแอปเปิลเป็นผลไม้ที่มีเพคติน เส้นใยอาหารที่มีสรรพคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการขับถ่ายและยังช่วยจับคอเลสเตอรอลไม่ให้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายป้องกันโรคคอเลสเตอรอลในเลือดสูงโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคไตนอกจากการรับประทานอาหารบำรุงไตในปริมาณที่เหมาะสมแล้วควรดูแลสุขภาพไตในด้านอื่นๆด้วยเช่นหลีกเลี่ยงการกินยาแก้ปวดยาแก้อักเสบติดต่ อ, อ ก, กันานาน เพราะทำให้เกิดการทำงานของไตเสื่อมถอยลงได้งดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอบน้ำตาลสูงและมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยครับก็เป็นเรื่องราวอาหารบารุงไตนะครับที่หยิบ ม, มาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ เปิดประตูเข้าไปแล้วเห็นภาพอ้กับเขาสองคนผู้ยิงอยู่ไต้ผู้ซ้ายอยู่บนมุนซอกโกันอย่างไหนทีแล้วก็ตรัดฟัดเวียงจนเตียงนอนน้องมันยับอยู่ยีขนานไอ้มาเป็นน้องตอนนี้สีเหตุจากไหน ใจสันกากำปั้นแน่แคดในในไอคือเห็ดจังสีสีเอาคนใหม่คือบบอกดีๆสิยอมให้ไปเห็ดกเขาก็เจ็บพอแหงนี่แหงมาเห็ดในห้องที่นองใจป้าปูที่นอนมุงมอนกายไอคือเห็ดได้เนาะ จัดการจัดการจัดการสังร่งอานมุหรือถอยปิดประตูให้อายกับเขามีแหงต่อหรือสิ่งอังเขาครัวหยิบมีดคมๆเมื่อเชือดโอให้สาใจแล้วรอตำรวจมาจับน้องปาปน้องสี่จัดการผู้หญิง I'm. Um, คำกำปั้นเ็ในคือเจังสีอยากเอาคนใหม่คือโบบอกดีอมให้ มาเพื่อขันเวลามาก็แค่แกเอาก็คิดว่าน้อสีทิมเขาเพื่อว่าสีมาเมาไอเหตุดีป่านใดหัวใจน้องยังฮักเขาคือเก่าเมื่อเบิดทางสู่เขาเรื่องของเ้างไ้ว่าสวโกันซะไอสีเป็นคน ที่เก้าอย่างออกมาไอซีเป็นคนที่น้ำตาไหเยยาวๆไอซีเป็นคนที่บอก้าเจ้าไอซีเป็นคนที่เหงาเองเดิมอยู่กับเขาดูแลกัน ชายคนนี้ให้เจ้าสองคนโชคดีให้เจ้าสองคนมีความสุข ย, ย, ย, ย้อนทุกมัน คัญเป็นฝืนคบกันกับบ่มีอย่งดีขึ้นเมื่อเจ้ามีทางเลือกทางอื่นสี่ทนฝืนคบกันต่อไปเพื่ออีหยังน้องบอ่ได้มีอายในใจแค่เพียงคนเดียวนองมีคนอื่นของเกี่ยวอีกอยู่บักหลายทางเือจังอายมีหวังแต่ทั้งทางบ่มีวันจากอย่างเลย เป็นคนที่ก้าวย่างออกมาไอซีเป็นคนที่น้าตาไหลยาวยาวไอซีเป็นคนที่บอกหน้าเจ้าไอซีเป็นคนที่เหงาเองเดูนดิน ชายคนนี้ให้เจ้าสงคนโชคดีให้เจ้าสงคนมีความสุขเด้ออยู่กับเขาดูแลกันดีเด้อสิ่งไรๆก็อย่าพบเจอเจอแต่สิ่งดีๆอยู่กับ ไอ้เจ้าสองคนโชคดีให้เจ้าสองคนมีความสุขโอนรปมาให้ไอ้เจ้าสองคนโชคดีให้เจ้าสองคนมีความสุขคนทุกให้เป็นไอ อยู่ในใจเป็นเวลาสี่หอดีความหักที่มีในใจก็เริ่มสลายแล้วตอนนี้แต่เธอยังมีท่าทีบออยากชัดเจนบอกล้าเปิดโต๊ะใส่น้ากันก็ย่านคนเห็นเธอคือเป็น สันติพอให้เฮาดีใจกะเฮาแค่คนคุยเผ็ดทุกอย่างกะคือแฟนแต่บ่มีสิบขวงแขนเปิดโตเป็นคนของใจกะเฮาแค่คนคุย คนคุยใหม่เธอใกลเขากะเท่าไปเขาสิคุยกบเ้าโดนปานได้มันบอกสำคัญบอกเป็นคนที่ใช่ก็เป็นได้แค่คนคุย น้ำกันกะยานคนเห็นถ้าคือเป็นจังซีตัวกันไปมือมือสันติพอให้เฮาดีใจกะเฮาแค่คนคุยเหตดทุกอย่างก็คือแฟนแต่บ่มีสิทธิ์ขวางแค่ โตเป็นคนของใจก็เฮาแค่คนคุยเขาพอคนคุยใหม่เถื่อใจเขากบเท่าไปเขาสิคุยกับเฮาโดนปานได้มันบอกสำคัญบอเป็นคนที่ใช่ก็เป็นได้แค่คนคุย ็เปนจังสีตัวกันไปมือมือสันติพอให้เฮาดีใจกะเฮาแค่คนคุยแค่ทุกอย่างก็คือแฟนแต่บอกมีสิทธิ์ควรแค้นเป คนคุยเขาพอคนคุยไหม่ืธอใจเขากระเทาไปเขาสิคุยกับเขาโดนปานใดมันบอสําคัญบอกเป็นคนที่ใช้ก็เป็นได้แค่คนคุยเขาสิคุยกับเขาโดนปานได้มันบอสําคัญบอกเป็นคนที่ใช้คบบ่ได้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 อุตรดิตต์ตากทิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาครับก็เป็นพยากรณ์อากาศถึง17นริกาวันพรุ่งนี้นะครับและแน่นอนมีอุตรดิต์รวมอยู่ในนั้นด้วยก็ติดตามสภาพอากาศต่างๆให้ดีด้วยนะครับ ลบคำว่าอายออกจากใจต้องใช้เวลาเสียงน้ำตาน้อยหล่นลงดินเสียงดังกองฟ้าอายมาตางบอกลาครั้งที่ยังหักกันบาดใจกลายเป็นคนจจิงเก็บความช้ำซ้ำเติมบาดแผล ไอเป็นคนแพ้ไอบอกแพ้บอกเหลือเอยอะใยญ่หลายปีสิบปันน้องก็ยังหาบว่าเสื่อมคลายบ่มีวันลืมไอยง่ายอคันบ่ตางไอจากกันภาพเคยฝันเคยหวังก็พ่าน ทลายขอยืนไหว้อาไลให้ความักเจ้าพาไ้รงานกินดองสมน้ำาเจ้าของให้มันตาแก่ใจมาบงเปนข้าใจตายตอนหน้าเจ้าบาเป็นแขกนอกประชานมา อาจเบ้เป็นแ เจ้าบ้านเป็นแขกาชนมารวมเป็นส่วน วันดีไพ่สิมีแห้งกระางทอบอไปตามระเบียบเสร็จเขาจนได้ญาติผู้ใหญ่กรสินนาบ้านปานกระโดงกระหักสิตายแต่สุดท้ายยังหลุดคงมันอยู่บอ่อใดอยากยาอายเขา ตาตาตกลงจบจากบบกมันจังสิพ่อพ่อสิขาคนจนังนึงให้ตายไปจากใจเขียดใ่คักคักเบิรเหล่าจักว่าจักให้ก็ยังโบาตายยังโบาตายไปจากใจ เมสิคิดพอเดแต่ใจแต่กอดเสาเทียนแนมไปกองเพียงเคยเห็นแต่หนาขาวๆเมาก็เมาพราตายยังเห็นแต่ภาพกองกองกูคิดพอดเขาโอ้ยมันเจ็บเพราะปางสิใจไอ้ข้าถ้าไปกับสายลมซาหลิวลุดไปคือเบาที่เอาคืนบ่อใจให้เราเขาปางสมัครจนนาำตาไหลของเงินใส่เสียน m t dear, I'm y o r ที่าคนจะมึงให้ตายไปจากใจเขียยได้ค hmm. mm. ักคเบิรเหล่าจักว่าจะให้เกิดยังบ่ตายังบ่ตายไปจากใจจังเลยโอ้ยมาเมื่อยแต่เบื่อสิคิดหอดแด่ใดแต่กอดเศ้าเทียงแน็มไปกองเตี้ยแต่เห็นแต่หนักเขาวๆเมาก็เมาบักไตเห็นแต่ภาพเกา คิดทอดเขาโอ้ยมันเจ็บพระปานสิใจขาดัดไมกับสายล้มตาดูลุดไปคือบาวที่เอาคืนบอดใจให้เราพระปานสมัคจนน้ำตาไหลหัวเหงอนใส่เสีย คุณผฟังครับหมดเวลาขอรายการสื่อตามสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลศรีพฤฒมรดกเมืองรับแล้วนะครับพบกับรายการได้ใหม่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา7นาฬถึง8นาฬิกาและภาเกียรติตั้งแต่เวลา17นาฬิาถึง18นาฬกครับก่อนจะการฝากด้วยนะครับสําหรับท่าน ท, ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันพรุ่งนี้22กันยายนครับก็แจ้งไปยังท่านที่อยู่ชุมชนยางกระไดใต้และชุมชนบ้านหนองนะครับ ตั้งแต่9โมงเชา้าถึง4โมงเย็นครับท่านสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ทำการชุมชนยางกระไดใต้นะครับในวันที่22ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองครับสำหรับวันนี้เขาต้องนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ